ทำระบบเสียงให้มันดีนะเมื่อคืนพูดที่วัดโพเสียงดีดีลำโพง น, น้อยแค่นี้เนี่ยเนี่ยลำโพงแค่เนี้ยไม่ใช่ลำโพงในะหญ่ๆลำโพงน้อยแค่นี้เนะี่ยเสียงดีเสียงนี่พูดทั้งคืนได้เลยเสียงแบบนั้นเลยเสียงพูดไปแล้วมันช่วยเสียงเมื่อวานไปสวดที่โรงเรียนน้องตุ่นี่ก็ เสียงมันพุ่งออกไปข้างนอกหมดโอ้ยเราก็แงนะประแหนะแปะแหนเกือบตายยิ่งแบ่งไปเท่าไรยิ่งเปลืองมันก็หมดไปหมดไปเสียงหมดไปจะเป็นลมเป็นแล้งให้ได้เพราะเสียงที่จะให้เรามาชัดกับเราพูดมันไม่มีที่จะมาช่วยมันเกิดทุ่มเสียงเนี่ยมันไม่มีวานพุทธิวัฒนโพดูวุ้ยเสียงเสียงแบบนี้พูดสบายอ่ะ แล้วพูดค่อยๆมันก็ดังชัดเจนเข้าหูเราเนี่ยอย่าลืมว่าพูดไปแล้วมันมันไม่ดังชัดหูเราเนี่ยอย่าลืมว่ามันจะดีนะพูดไม่ดีเลยไปหน้ามาหลังแทบไปไม่รอดหละจอดเลยเลยดีไม่ดีสะท้อนมาอีกหน้าโมหน้าโมตามท่าซาท่าาโต้ตายไปไม่รอดดอก วัดโพธ์แล้วตั้งลำโพงยังไงตั้งเสียงยังไงเสียงเขามันกี่ร้อยกี่พันวัวะนะ <c oughs> เสียงดังดีดังเสียงดังกล้องดีมันมันมันมันกล้องแบบมันช่วยดูดเสียงทำให้เสียงเราเราพูดค่อยๆธรรมดาเสียงก็ออกดีคนฟังก็ดีได้ประโยชน์บางทีคนพูดพูดจะเป็นจะตายคนฟังบางส่วนไม่ได้ยินไม่ได้ประโยชน์เลย ระบบเสียงนี่สําคัญที่สุดบางคนอีกรองแล้วลองอีกรองแล้วลองอีกพอเวลาเข้างานจริงๆเนี่ยชักแขกจักแขกชักแขกเคาะแขกเคาะแขกคากแขกัอขกนอะไรช็อตตอนยังไม่เข้าพิธีนี่เช็คแล้วเช็คอีกดังดังแต่คนเช็คมันไม่ได้มันมันมันไม่ได้มาเช็คตรงตําแหน่งที่ที่คนพูดจะพูดนะนู่นมันเช็คตรงไหนก็ได้ ไอตำแหน่งที่คนจะพูดนี่มันกับไอที่มันเช็คนมันคนละส่วนกันคนละเรื่องกันฟังไม่รู้เรื่องหรอกตั้งแต่สมัยช่วยชาติมาเนี่นี่เรานั่งข้างหลังแล้วต า, ายางนี้ี่ยไม่รูจะพูดอะไรฟังไม่ได้ยินเลยนะนี่นงข้างหลังอางนี้ฟังไม่ได้ยินเลยเหมือสันเทะอะนู่นลมพองพุ่งไปไหนหมดกันไม่รู้คืพูดพูดได้แต่มันไม่สะดวก มันไม่สะดวกเราต้องมากังวลกับเสียงถ้ามามันก็ไม่ออกมาคืนเทดนิดหน่อยยี่สิบยี่สิบเอ็ดนาทีโอ้รวมทั้งให้สีนด้วยรวมทั้งให้พรด้วยประมาณครึ่งชั่วโมงก็ สองทุ่มห้าหนาทีแล้วเนาะเราไม่เริ่มสองทุ่มห้าหนาทีเราได้เทพเนี่ย้สองทุ่มสองทุ่มยี่สิบห้าหนาทีกบว่ายี่สิบเอ็ดนาทีว่างั้นแต่เรา้ก็จบเจ้าวาดรักษาการเจ้าวาดก็บอกอาจารย์จะให้เลยสองทุ่มครึ่งได้หะโอ้โหมันก็เหลือเวลาจุดจูดแค่นี้ ทำไมยังไม่ออกรถออกชาติเลยแต่ก็มีแต่มีแต่หลักๆออกเป็นหลักๆ ก, ก, ก, ก็ดีก็ทัดรัดดีสั้นดีพูกว่ามีแต่พวกนู่นมันเป็นวันที่ยังอยู่เวลาที่ยังอยู่ในพระพรกราบรมราชานุเคราะห์เราก็เราก็บอกเขาถ้าเป็นงานถ้าเป็นงานเกี่ยวกับ ในหลวงเนี่ยให้คนอื่นเทศเด้ยอยาให้เราเทศเด้เราเทศมเปลี่ยนเด้เราเทศแบบป่าปาเด้เขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เจ้ารักษาการเขาบอกไม่ใช่ตั้งแต่วันก่อนแล้วเราไปถามไม่ใช่ใจนนคณะเขาเสร็จตั้งแต่เช้าแล้วอะไรแล้วแม้แต่ตอนค่ํำก็ใช่แต่ว่าตอนนี้เสร็จไปแล้ว เ, เวลาเทศถือว่าเป็นเวลาธทำมดา ดอกอบดอกบัวดอกบัวเหลืออีกสิบสี่ดอก ừ, ใครมาชักชา้าใครมัวชักชา้าไม่ทันเขาละดอกบัวเหลือสิบสี่ดอก c, จะเต็มเนะ่ยสิบสี่ดอกจะเต็ม แล้วสามพันสามพันี่ช่างมันตั้งเอาเองเนีช่างมันตั้งเอาเองเราไม่ได้ตั้งหรอกเพราะนั้นมันยังยังจะเอาอีก4ี0พันห้าพันหมดเลยให้มันดอกบวัวเนี่ยสัญลักษณ์หลงตาบูชาท่านไปทำไปไปเสริมทำให้กำแพงเราแข็งแรง ไม่ได้ไม่ใช่ปประดิษประดอยที่จนเกินมีความหมายทำเพลงก็ยังทำไม่จบทางโน้นเลยเขาบุกไปอีกหนูก็รุกไปอีกสามสี่ร้อยสีร้อยเมตรว่า ง, งั้นนะยังไม่ได้ไปดูด้วยเนี่ยจะตอนน้องได้ทำไปฝั่งโน้นอีกเขาเอารถ แม่โคไปทําอะไรเนี่ยเกี่ยวกับน้ําที่เขาจะปล่อยน้ําไปมันมากินที่เรามันเท่ากับทําที่เราไปทำกำแพงพอดีอ่ะยังไม่ได้ไปดูด้วยเนี่ยไม่จบทำทำําแพงกั้นให้ป่าสงวนเขามันไม่ใช่ที่ของวัดหรอกเป็นที่ของป่าสงวนเราเป็นโครงการช่วยดูแลป่าเราก็ต้องทําหมดแหละ แต่มันก็ประโยชน์ทั้งตนประโยชน์ทั้งท่านนั่นแหละประโยชน์ของชาติบ้านเมืองถ้าเราไม่ทำเขาลุกที่เขาลุกที่ก็เป็นปัญหากันไม่เป็นผ้าสุขหรอกลุกที่หมดแล้วทั้งนู้นทั้งนั้ไปหมดแล้ ว, ไ ป, ลวไปขวางอยู่ก็เท่ากับไปชดเชยเขาซื้อเขาหมดไปแล้วทำลงไปแล้วตอนนี้ก็หมดไปแล้วไปก็ไปโจดห้วย ต้นหัวในอกนะั้นมีแต่ป่าธรรมชาติข้งในหมดไม่มีไม่มียุ่งกับใครละเขาให้หมดเป็นผู้ผู้หรือกี่ผู้สองสามผู้หรือก็ให้หมดไปเอาโหลดไปเดินไปนั่งไปนอนเอาโหดเต็มป่าเต็มดงนะอยู่ใสหมดบนเขา ยี่สิบปีมาแล้วปลูกยังไม่หมดเนี่ยปีนี้ก็จะต้องพูกปลูกเพิ่มอีกเยอะเลยปลูกไม้ไอ้ที่กำลังเลี้ยงดูนี่ก็ไม่รู้เท่าไรเลยแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยค่าแงารง ไ, ไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรหมดเท่าไรไม่รู้หาเงินมาสร้างเทววัดนี่แหละ อยู่มาได้รอบหนึ่งกุฏิกุตังหรือหมดพังหมดซ่อมเป็นรอบแล้วเด้นนี่งซ่อมมาสามปีแล้วยังไม่หมดยังอันนี้เนี่ยเนี่ยดีแต่อันนี้มันยังไม่รั่วมันอยู่ไปก่อนอยู่วัดนี้มาอยูอยูมาจนกุฏิซ่อมไปรอบหนึ่งแล้วเด้นนึ่งยี่สิบสองปีซ่อมไปหมดแล้วคือเปลี่ยนร่างคาใหม่หมดผูกหมดปวกขึ้นกินหมด ทำได้แล้วอยู่สุขสบายทั้งใจภาวนาคนทาดิ้นรนดิน้นดิ้นรนทำให้ได้อยู่ได้อาศัยตัวคนเดียวไปนอนไหนก็ได้อยู่โคนไม้ตรงตรงไหนก็ได้ถ้าไม่เพื่อหมู่ไม่เพื่อหมูจะทำทำไมเพื่อคนเริ่มใสยศรัทธาเพื่อคนเห็นทุกเห็นโทษของภัยของวัฏจัสงสารเห็นประโยชน์ของศาสนาบ้าง อยู่คนเดียวตัวคนเดียวโคนมมกตรงไหนก็อยู่ได้ ท, ทั้งต่วหมู่ตัวคณะก็ต้องการสะดวกสบายได้มาอยู่ได้ตั้งใจภาวนาได้ประโยชน์เป็นการช่วยส่งเสริมพยุงศา ส, สนารักษาศรัทธาลุกฝังคน กำลังเริ่มสสยเริ่มใส่ศรัทธาต้องหักต้องใจภาวนาแต่วันคืนลงไปให้ได้ประโยชน์ทำได้อยู่ได้กินทำได้อยู่ดีได้อะไรดีแล้วตั้งใจภาวนานไม่ใช่ทำศักตราทำที่เฉยไี้อยู่สะดวกสบายแล้วใครจะอยากเห น, นื่อยอ่ะมีใครอยากเหนื่อยหรอถามพิดาดูมนได้นอนไหม กันไปกุงตั้งวันแล้วมีใครบ้างที่เป็นนอนจนตัวเขียวมีไหมมีใครบ้างนี่จะเป็นอ น, นอนนอนนอนจนเขียวมีไหมอนอนภาวนาได้ทุกขณะจิต อ, อ, อย่างให้คะแนนอยู่ นอนฟุ้งเรื่อยเปื่อยไปตามอารมณ์กามน่ะชิบหายใบพวงหมดนะเด๋ยวร้อนบุ่นวายเผาตัวเองทั้งเป็นนะระวังให้ดีนึกถึงคนเขาเสียสละเพื่อเราบา้างทำพ่ดาโดนได้นอนไหมฮะ <c ười> ่ดูตาเลือกตาลา น, น่ะที่นุ่นว่างที่นี่บ้าง เราไม่สนเราเนี่ยมีนจะไปให้เขาทั้งแหละเมื่อวานไปไประชุมมูลทิ่ศกกรีนครินมูยที่ศีนครินโอ้เงินเกือบเกือบร้อยล้านเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีกปแต่ค่าใช้จ่ายเราจ่าย ประมาณปีละเนี่ยปีที่แล้วมานี่หกล้านสี่แสนเศษที่สำหรับครูบาอาจารย์ที่ท่านไปอยู่แล้วมียาที่แพงยานอกยาเกินที่ไม่มีในนั้นที่โรงพยาบาลจ่ายไม่ได้การรักษาแพงๆบางคนเป็นมะเร็งมาเนี่ยบางคนเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นอะไรต้องใช้ยาสูงๆก็ใสเงินของมูลทิ่ ส่วนไหนที่โรงพยาบาลเขาออกไปได้เขาก็ออกส่วนไหนเขาขอมูลที่มูลที่ไปช่วยไปมูลที่หออพิบานสง่งชั้นสิบตึกซีนักรเนหรืตึกสูงอะ่ะชั้นสิบเขาให้หมดทั้งชั้นเลยเส็แล้วทุกปีเรามีการจัดทอดพระปาเราทอดพระปาแต่และปีเนี่ยเราได้คุ้มคุ้มกับที่เรามาใช้ของเดิมยังเหลือ แต่ว่าของที่เราใช้ไปจาปีเราทอดพระปาแต่ละปีมันคุ้มตอนนี้เรามีทุนแน่นหนาพอปีนี้ว่าทอดพระปาเพียงแต่บอกไปร่วมทอดกันเท่านั้นถ้าก่อนเขาทาสองทาซองแจกไปทรงมาให้เรากองไว้นี่นะนี้จะไปให้ใครให้บนชลาเนี่ก็ได้สองละห้าบาท สอสิบาทรวมไปแล้วได้ร้อยบาทเนี่ยบาทีไ ม, ม่คุ้มค่าสองก็สเราไม่แจกเรากองไว้บางคนเห็นประโยชน์ก็เอาไปบ้างปีนี้ว่าเขาจะไม่ทำสองหรือทำทำเป็นส่วนน้อยบางนั้นนะแต่ก่อนทำแล้วก็ส่งไปตามครูบาอาจารย์ด้วยปีนี้ว่าจะมีเฉพาะหนังสือนิมนต์ที่สี่มิถุนา ทอดพระป่าไปจำปีวันที่สีมิถุนาเนี่ยปีนี้วันที่สีมิถุนาเป็นวันอาทิตย์เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อสาสารประโยชน์รูปประโยชน์ของพระเจ้าประสงค์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยบางคนสมควรเหมาะสมก็ได้ทุนนั้นแหละมาใช้ไป หมดทักตึกเลยขึ้นไปกับอยู่สะดวกสบายปฏิบัติถูกต้องไม่มีผู้หญิงเข้าไปยุ่งไม่ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องผิดวินัยผิดไลรักษาให้เข้ากับระเบียบธรรมวินัยหมดมีที่เดียวที่ ท, ที่ทำได้นอกนั้นยังมีผู้หญิงเออพยาบาลไปจับไปโน่นไป น, ون, ไปนี่ไปอะไรแต่เลยมีที่นี่ไปวางระเบียบไว้หมดตัวาิญาผู้ใหญ่ เ ข, เข้าไปเข้าไปเยอะเนี่ยอาจารย์ศิลาหลวงปู่ศิลาที่อยู่ข้างๆท่านพลนอยู่นู้นแหละอยู่ศรีนครินทร์เมน่อวไม่มีเวลาไปเยี่ยมเป็นอะไรไหมลูกหลวงปู่ศิลาที่อยู่ข้างๆท่นานพลอยู่ศรีนครินทร์ไม่มีเวลาไปเยี่ยมมีแต่บรลลุดพยาบาลแต่หัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าตึก หัวหน้าตึกหัวหน้าฝ่ายตรงนั้นน่ะคุณวารารัตน์ผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงอันนี้คุ้นเคยกับครูบาอาจารย์มาตั้งนานนานตั้งแต่ตึกยังไม่มีัวแลคนเราเจ็บไค้ได้ป่วยมามันทุกข์เทุกบ่อทุกขอทุกบ่บอบบานขึ้นเยอะๆนะเกือบช็อกตายนะ เวลาทุกขึ้นมาก็เห็นหมอตอนนั้นยกให้สูงสุดตรงไหนก็ได้หมอนะ่ะตอนที่จำเป็นไปหาหมอนะ่ยยกไป้ยูนเกินเทวดาปี ก, ก็ได้ยกให้โลดหมอนะหมอตอนรับปฏิสันถานให้ดีหมอตอนรับปฏิสันถานดีคนป่วยก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วหายป่วยไปครึ่งหนึ่งปฏิสันถานธ์มันดีสุดเลย กัดใจต่อหน้าเลยก็มีโอ้กำลังใจไม่ใช่ธรรมดาฟังถือว่าคนเป็นมะเร็งเนะี่ยตอนเขาไมา่ยังไม่ตรวจเจอไม่มีอะไรอยู่สบายมีกำลังวังชาดีๆพอเช็คเจอมะเร็งแล้วอ่อนอยกกำลังใจ ท, งทั้งที่โรคมันก็เท่าเดิมอะมนุษย์เรานี่ก็แปลกนะมีแรงของอุปาทานรู้อยากไหม แรงอุปาทานมันรุนแรงไหมอุปาทานดูไปในใจของเรานะ่ยดูแรงที่มันยึดแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นคือแรงของมันแรงของใครของมันแรงอุปาทานคนฝึกหัดดัดแปลงขัดเกลาอยู่บ้างอะไรอยู่บ้างเออมันพอรู้จักยับยัง้งบางคนไม่รู้เรื่องมันจะยึดเอายึดเอายึดเอายึดเอาของกูของกูของกู คือกูเสียงกูเกียรติกูยศกูทราบกูลูกหลานกูเพื่อนกูกูไปหมดเหยียบหัวใครก็เหยียบได้ถ้าเผื่อเขาให้เหยียบเลยใหญ่ขนาดนั่น <c oughs> แรงอุ ป, ปาทานความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้รับเนี่ยเกิดจากแรงอุ ป, ปาทานแรงยึดแรงถือ คุบาจารย์พระอรหันต์ท่านเข้าใจท่านรู้เรื่องหมดท่านปล่อยหมดท่านวางหมดท่านกระทงธาตุทงขันเหมือนเราท่านเจ็บท่านป่วยท่านหนักอะไรเหมือนเราแต่ท่านไม่ถือเมื่อไม่ถือมันก็ไม่ทุกข์ทั้งท่านอยู่ด้วยกันนี่แหละเราด้วยเหตุที่เราถือถึงทุกข์ทำไมไอ้ถือถือคําว่าถือคือง่ายๆ่ายเนี่ยไม่มันปล่อยยากควางยากเหลือเกิน ไปดูไปพิจรารณาดูไปย้อนดูก็แล้วกันเป็นเหตุจําเป็นให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญา <c oughs> เป็นช่องเป็นทางไม่ใช่มีขึ้นลอยๆยมีขึ้นอย่างมีเหตุมีผลไม่มีใครต้องการความทุกข์ต้องการแต่ความสุขแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ตามไม่เปลีป่ยนไปตามปาฏาริย์แล้วแลแต่มันจะ พ, พัฒน เพราะฉะนั้นดูยังไงดูแล้วก็ปล่อยดูแล้วก็ปล่อยไม่ยึดไม่ถือถือมันด้วยอุปาทานโอ้โหเพรจะคลี่คลายกันรู้เรื่องกว่ามันจะอ่อนแรงอ่อนกำลังว่ามันจะยุบย่อกเพจะรู้เรื่องมันดูหันไปดูที่ใจของเรามันมีทุกคนนะแครงอะไรบ้างแค่กูกโกโกดิ้งแชทอยู่นั่นน่ะจะไปยอมอะไร ไม่ชอบอะไรไข่ฮะดูแบบครูบาอาจารย์ท่านดูพวกเราเนี่ยขำพวกเราเนี่ยโอ้มันจะไปบ้ากับอะไรก็ไม่รู้บ้ากับกิริยาข้างนอกผิวเผินของมันนั่นอนหะโอ้อะไรก็ไมันฮะหัดดูเข้าไปเจาะให้มึกเข้าไป <c oughs> ก่อน